ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วคือเป็นสวากขาโตภะวะตาธมโมคำว่าตรัสไว้ชอบแล้วก็แปลว่าถูกต้องแล้วตามความเป็นจริงเป็นคำสอนที่เป็นความจริง เช่นทรงสอนเรื่องบุญเรื่องบาปว่าทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วได้ไปนรกตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดทรงสอนวิธีสู่การ สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามรรคผลนิพพานมีจริงเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อจะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความจริง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังมืดบอดที่ถูกอำนาจของโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจทาไม่ให้ทำให้ไม่เห็นเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็น นอกจากเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วยังเป็นสันดิทติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามจะสามารถพิสูจน์เห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายเป็นธรรมที่ให้เชื่อเพื่อนำเอาไปศึกษานำเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะสามารถเอาสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอคืออวิชชาโมหะให้ออกไปจากจิตจากใจทำให้ทาให้เห็นสิ่งต่างๆนังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นได้นี่คือสันติโกทมของพระพุทธเจ้า ต้องนำเอาไปปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นสวากขาโตภะวตาธมโมเป็นธรรมที่เป็นความจริงทุกประการแล้วข้อที่สามของคุณสมบัติของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นอาการลิโก เป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาเป็นธรรมที่เป็นความจริงตลอดเวลาเป็นความจริงในยุคพระพุทธกาลก็เป็นความจริงในยุคปัจจุบันและจะเป็นความจริงในอนาคตต่อไปเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ทำบุญได้ไปสวรรค์ไม่เปลี่ยนแปลงทำบาปไปนรกไม่เปลี่ยนแปลงตายแล้วไม่สู์ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ถ้ายังไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสามารถที่จะ ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำเหล่านี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยออทำบาปก็ต้องไปนรกไปอบายทำบุญก็ต้องไปสวรรค์ถ้ายังไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเท่านั้นเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คืออากาลิโกเป็นธรรมที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกับการกับเวลาไม่มีวันหมดยุคหมดสมัยเป็นธรรมที่ทันสมัยสดสดร้นอนๆได้อา่านหนังสือหรือได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทีไรก็เหมือนกับได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเลยเป็นธรรมที่อ่า เหมือนเพิ่งออกมาจากปากของพระพุทธเจ้าสดสดร้อนน้อนผู้ฟังสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ทันทีเหมือนกับในยุคที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงด้วยพระองค์เองถึงแม้ว่าในยุคนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราแล้วก็ตามแต่ พระธรรมคําสอนที่ได้ทรงตัดได้ทรงสั่งสอนและได้มีการจดจําและบันทึกไว้เป็นหนังสืออยู่ในพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นคําสอนที่ออกมาจากปากของพระพุทธเจ้าเวลาได้อ่านหรือได้ยินก็เหมือนกับได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยถ้าผู้อ่านฟังด้วยสติ ใจจดจอ่ออยู่กับการฟังไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปพูดไม่ไปคุยกันทำก็จะเข้าสู่ใจแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถทำให้เกิดผลตามที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกประการดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องไปกังวลกับ เวลเวลาว่าสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราแล้วพ ว, ว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ปฏิบัติไปก็จะไม่สามารถได้รับผลเหมือนกับในสมัยพุทธกาลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดน ว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของใหม่เป็นของสดสดร้อนร้อนเหมือนยาที่ผลิตออกจากโรงงานที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำเอาไปรับประทานเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้พูดที่ มารับทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นขอให้มีศรัทธาความเชื่ออย่างมั่นคงขอให้เชื่อและนำเอาไปปฏิบัติถ้ามีความเชื่ออย่างมั่นคงและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปฏิบัติแบบเต็มร้อยผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะมีผู้ที่ได้เชื่อและได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วทุกยุคทุกสมัยได้รับผลตามที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนไว้ทุกประการคือบรรดาพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนี้เองที่พวกเราถือเป็นสาระองค์ที่สาม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่จะรับรองหรือยืนยันในความเป็นจริงของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการไม่มีพระอริยสงฆ์รูปใดที่จะมาคัดขัน ความจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยมีแต่รับรองรับประกันยืนยันว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจะได้รับผลอย่างแน่นอนจะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่ความสามารถของผู้ที่ปฏิบัตินั้น ที่มีความสามารถไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันแต่เวลาสอบจะได้คะแนนไม่เหมือนกันเพราะมีความสามารถตอบข้อสอบได้ไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่มีความสามารถตอบข้อสอบได้มากก็จะได้คะแนนสูง ผู้นี้มีความสามารถตอบข้อสอบได้น้อยก็จะได้คะแนนต่ำแต่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยมีความสามารถมากหรือน้อยก็ตามถ้ามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติไปจนกว่าจะสำเร็จก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ นอกจากความสามารถแล้วก็อาจจะมีเหตุปัจจัยรอบด้านที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติก็อาจจะราช้ากว่าผู้ที่มีเหตุการณ์มีสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติแต่ถ้ามีการปฏิบัติแบบเต็มร้อยแล้ว จะต้องได้รับผลกันอย่างแน่นอนนี่คือสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกัสังโคสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับของธรรมที่ บรรลุถึงธรรมที่บรรลุธรรมที่ทําให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นก็แบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันเรียกว่าโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอรหันต์การบรรลุถึงขั้นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการหลุดพ้นจาก ความทุกข์ในระดับต่างๆความทุกข์มีสี่ระดับด้วยกันผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติละกําจัดความทุกข์ไปตามลําดับจนถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นของพระอารหันต์พอถึงขั้นของพระอารหันต์แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตในใจก็จะหมดสิ้นไป การที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็จะสิ้นสุดลงเพราะเหตุปัจจัยที่เป็นตัวทำให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นได้รับการชำระได้รับการกำจัดจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติและได้นำมาเผยแผ่สั่งสอน ให้ปฏิบัติตา ม, อมพอได้ปฏิบัติตามแล้วจิตใจที่มีเหตุปัจจัยที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะปราศจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็จะไม่มีอะไรมาฉุดให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอนี่เกิดธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยเป็นธรรมผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังสามารถน้อมนําเอาไปพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติการได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้การได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับการได้ดูแผนที่ แผนที่ของสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะเดินทางไปการดูแผนที่นี้ยังไม่ทำให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ <f Bit> แต่ถ้าไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้ว่าจะเดินทางไปในทิศทางใดการดูแผนที่เพื่อจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนั้นต้องไปในทิศทางไหน ไปด้วยยานพาหนะแบบไหนบางครั้งก็ต้องไปด้วยเรือบางครั้งก็ต้องไปด้วยรถยนต์หรือรถไฟบางครั้งก็ต้องไปด้วยเครื่องบินถ้าไม่ได้ศึกษาดูแนวทางของของจุดหมายปลายทางที่จะไปก็จะไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรนั่นเอง แต่ถ้าได้ดูแล้วได้รู้แล้วว่าจะต้องเดินทางไปด้วยยานพาหนะชนิดนั้นชนิดนี้ต้องไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้ถ้าดูแล้วรู้แล้วแต่ไม่ออกเดินทางก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้นี่คือความหมายของการศึกษา การศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีหรือแนวทางที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกั น, นเราทุกคนนี้ต้องการอะไรเราทุกคนต้องการความสุขกันต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์กันไม่มีใครอยากจะทุกข์กันไม่มีใครอยากจะปรวเวียนว่ายตายเกิดกัน ไม่มีใครอยากจะเกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ขณะนี้พวกเราสามารถที่จะทำสิ่งที่เราปรารถนาได้ถ้าเราศึกษาแนวทางที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการนั้นปรากฏขึ้นมาได้แนวทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รู้วิธีของการปฏิบัติแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็ต้องปฏิบัติถ้าดูแผนที่แล้วรู้แล้วว่าจะต้องไปในทางนั้นทางนี้รู้ว่าจะต้องไปด้วยวิธีใด เราก็ต้องออกเดินทางไปด้วยวิธีนั้นถ้าต้องขับรถยนต์เราก็ต้องหารถยนต์ขับไปถ้าต้องไปทางเรือก็ต้องไปหาเรือขึ้นไปถ้าต้องขึ้นเครื่องบินก็ต้องไปหาเครื่องบินพอเราได้เริ่มออกเดินทางยานพาณนะิก็จะค่อยพาเราไปใกล้เข้าไปสู่จุดหมายปลายทางไปเรื่อย ถ้าเราเดินทางแบบไม่หยุดไม่หย่อนถึงแม้อาจจะมีอุปสรรคกลางทางเราก็ไม่ยอ่อถอยคือถ้ารถเสียก็ซ่อมรถยางแตกก็เปลี่ยนยางใหม่รถน้ำมันหมดก็แวะเติมน้ำมันตาบใดที่มีการากระทํามีการเดินทาง มีการกระทาให้มีให้การเดินทางนี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วจุดหมายปลายทางก็จะถึงอย่างแน่นอนพอเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับ ผลที่เราพูดถึงนี้เป็นผลทางด้านจิตใจคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนเรื่องของความสุขความเจริญทางจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับความสุขความเจริญทางโลกทางร่างกายสอนอยู่เหมือนกันว่าเป็นไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขความเจริญของจิตใจที่เรา ต้องการคือความสุขความเจริญของจิตใจเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจนี้เป็นของที่อยู่กับเราเป็นของที่เราจะต้องอยู่ด้วยไปตลอดจิตใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายจิตใจมีอยู่สองอย่างคือจิตใจสุขหรือจิตใจทุกข์ จิตใจทุกพวกเราก็รู้กันว่าเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันสิ่งที่เราปรารถนากันก็คือจิตใจที่มีความสุขจิตใจที่มีความสุขนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่งนั้นเวลาที่เราปฏิบัติขอให้เราดูผลที่จิตใจ ว่าสุขมากขึ้นหรือสุขน้อยลงทุกขมากขึ้นหรือทุกน้อยลงอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปดูอย่างอื่นอย่าไปดูทางร่างกายเพราะทางร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมโดยตรงอาจจะเป็นผลพลอยได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้ เป็นบางคนคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญจะเจริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายอันนี้ก็ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นเสมอไปบางครั้งก็อาจจะเจริญได้บางครั้งก็อาจจะไม่เจริญบางครั้งก็อาจจะเสื่อมเพราะว่า ความเจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกิ่นรถผลพธพนะนี้มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นไปตามการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไปดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่เจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะก็ขอให้เราเข้าใจไว้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติทำเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญทางด้านลาบยศสัรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะส่งสอนให้เราเจริญทางด้านจิตใจสอนให้ให้เราได้พบกับความสุขทางจิตใจ ความสุขความเจริญของจิตใจเป็นอย่างไรก็แบ่งไว้เป็นชั้นๆ ช, ชั้นที่เราอยู่กันนี้เราเรียกว่าชั้นของมนุษย์ชั้นของมนุษย์นี้อยู่กลา ง, ลางคือไม่เจริญแต่ก็ไม่เสื่อมไม่สูงก็ไม่ต่ำอยู่กลางๆอยู่ตรงศูนย์ถ้าเราเรียนคณิตศาสตรน์นี้เราจะมี รู้จากเรื่องของการแบ่งแบ่งระดับของสิ่งต่างๆไว้เป็นบวกเป็นลบแล้วก็ต้องระวังบวกกับลบก็คือศูนย์พบของมนุษย์จิตใจของมนุษย์นี่ก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างความเจริญกับระหว่างความเสื่อมของจิตใจคือมีความสุขมีความทุกข์ เท่าๆกันห้าสิบห้าสิบถ้าจิตใจเจริญก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงถ้าจิตใจเสื่อมลงก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นความสุขลดน้อยลง น, นี่คือเรื่องของจิตใจเราวัดกันที่ความสุขความทุกข์ของจิตใจมนุษย์นี้เรา มีความสุขความทุกข์เท่าๆกันห้าสิบห้าสิบสามวันดีสี่วันไข้สี่วันไข้นะถ้าต่ำกว่ามนุษย์นี้ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นความสุขจะน้อยลงต่ำกว่ามนุษย์ก็คือเดรัจฉานเดรัจฉานนี้ก็มีจิตใจเหมือนพวกเราแต่เขามีร่างกายที่ไม่เหมือนร่างกายของมนุษย์เขามีร่างกายของ สัตว์เดรัจฉานเช่นร่างกายของสุนัขของแมวของลิงของนกของปูของปลาแต่จิตใจเขาก็เหมือนกับจิตใจของพวกเราต่างกันตรงที่จิตใจเขาเสื่อมลงไปต่ำกว่าจิตใจของมนุษย์จิตใจของเขามีความทุกข์มากกว่ามนุษย์มีความสุขน้อยกว่ามนุษย์เพราะ บาปที่เขาทำไว้นั้นเขาทำมากกว่ามนุษย์ได้ทำไว้เขาเลยทำให้จิตใจเขาต้องมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่อยากจะให้จิตใจของเราลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์สิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าไปทำบาปสี่ข้อห้าข้อด้วยกันคือศีลห้า คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายามเมาถ้าเรารักษาศีลห้าได้การที่จะทำให้จิตใจเราตกต่ำนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีวิธีป้องกันไม่ให้ตกต่าคือการรักษาศีลห้านี้เอง การลักเสียสินห้าจะทำให้จิตใจไม่ตกต่ำลงไปกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าตายไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้เลยแต่ถ้าไปทำบาปข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งก็จะทำให้จิตใจนั้นเลื่อนลงต่ําทันทีทีนี้จะต่ำมากต่ำน้อย จะไปอยู่ในที่ต่ำนานหรือช้าก็อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยถ้าทำน้อยก็ลงไปอยู่ไม่นานถ้าทำมากก็ลงไปอยู่นานเหมือนกับพวกที่ถูกจับติดคุกติดตารางถ้าทำผิดมากก็จะติดคุกได้นานถ้าทำผิดน้อยก็จะติดคุกไม่นานฉันไดาการทำบาปก็เป็นในลักษณะนั้น ถ้าทำบาปมากก็จะต้องไปเกิดในอบายอยู่ในอบายนานถ้าทำบาปน้อยก็ไปอยู่ในอบายไม่นานพอได้พ้นบาปแล้วพอได้ใช้บาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้จิตใจของพวกเราตกต่ำกว่าระดับของมนุษย์ เราต้องพยายามอย่าทำบาปถ้าทำบาปเรายังมีโอกาสที่จะชะลอผลของบาปได้ถ้าเราทำบุญให้มากกว่าบาปที่เราทำไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าบุญที่เราทำนี้จะลบล้างบาปที่เราได้ทำไว้เพียงแต่ว่าถ้าบุญของเรามีกำลังมากกว่าบาปบุญของเรายังสามารถดึงใจของเราไม่ให้ลงไปสู่ที่ต่ำได้ หรือถ้าไม่มากกว่าก็ให้มันเท่ากันถ้าบาปกระ บ, บุญมันเท่ากันบาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ลงต่ำได้แต่บุญก็จะไม่สามารถดึงให้ขึ้นสูงกว่าระดับของมนุษย์ได้เราก็ยังจะอยู่ในระดับของมนุษย์ได้ต่อไปถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ทำบาปบ้างก็ตามแต่ถ้าเรามาชดเชยด้วยการทาบุญ ให้มันมีกำลังเท่ากับบาปมันก็ยังจะมันก็ยังไม่สามารถดึงเราให้ลงไปสู่ที่ต่ำได้นะรัแต่ถ้าเวลาใดที่บุญเราน้อยกว่าบาปเวลานั้นบาปก็จะดึงใจเราให้ลงสู่ต่ำได้นี่คือเรื่องของบุญของบาปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจของพวกเราไม่ได้เกี่ยวกับฐานะการเงินการทองไม่ได้เกี่ยว ก, กับการที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขนี้สามารถหาได้ด้วยวิธีทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้แล้วแต่คนทำบาปคนโกงก็ร่ารวยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ คนทำดีก็ร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตไดนะ้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสับสนแล้วเราจะไม่เชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปมองผลที่ลาบยศสรรเสริญมองที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะคิดว่าเอสทำไมคนนั้นเขา ทำบาปทำไมเขากับเจริญในลาบยศสารเสริญสุขกันคนนี้ทำดีแต่ทำไมเขาไม่ได้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขกันนี่ไม่ใช่เป็นผลของการทาบุญหรือของการทำบาปแต่อย่างใดผลของการทำบุญทำบาปอยู่ที่จิตใจของพวกเราที่พวกเราถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้กันว่าจิตใจของพวกเรานี้ มีบันไดที่จะก้าวขึ้นและมีบันไดที่จะก้าวลงเปลี่ยนสถานภาพเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่แปลกกว่าร่างกายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นกันแต่จิตใจนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันและเราอาจจะไม่รู้จักเสียด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า เราก็อาจจะคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันเออร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจก็เป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่จิตใจก็แก่ร่างกายเจ็บจิตใจก็เจ็บร่างกายตายจิตใจก็ตายอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงคือชีวิตของพวกเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คือมีร่างกายและจิตใจร่างกายก็ห า, าลาภยศสรรเสริญสุขแต่จิตใจนี้ต้องหาบุญถึงจะทำให้จิตใจมีความสุขได้และจิตใจเจริญก็เจริญด้วยบุญจิตใจเสื่อมก็เสื่อมด้วยบาปไม่เกี่ยวกับร่างกายต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราจะได้เข้าใจใน ในเรื่องของบุญของบาปว่าเป็นอย่างไรเพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจไม่มีวันตายแต่จิตใจจะต้องเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาปตามที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปเพราะอำนาจของบุญของบาปนั่นเองถ้าเป็นเดรัจฉานก็เป็นอำนาจของบาป ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตก็เป็นอำนาจของบาปถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าอสุรกายก็เป็นอำนาจของบาปถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เราเรียกว่านรกก็เป็นอำนาจของบาปเยขอให้เราเข้าใจไว้เถิดว่านรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนี่ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่ แตเป็นสถานาภาพของจิตใจที่เป็นผลของการทำบุญหรือทำบาปทำบุญแล้วก็จะทำให้จิตใจเป็นอะไรต่างๆตามที่เราตามที่พุทธเจ้าได้ทรงตั้งชื่อให้ไว้ถ้าทาบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ผิดไม่รู้ว่าการทำบาปนี้เป็นมีโทษต่อจิตใจ ทำไปเพราะคิดเพื่อการอยู่รอดของร่างกายเช่นมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อดำรงชีพอันนี้เป็นการทำบาปที่คนที่ทำอาชีพเหล่านี้คิดว่าไม่เป็นไม่มีโทษเพราะทางกฎหมายก็ไม่ได้จับไปลงโทษคนที่ทำมาค้าขายด้วยการฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่ากวายฆ่าปูฆ่าปลา กฎหมายเขาถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใดแต่กฎแห่งกรรมนี้ถือว่าผิดเพราะเป็นการกระทาบาปเป็นการฆ่าผิดศีลข้อที่หนึ่งทำบาปด้วยความหลงนี่คือเรียกว่าทาบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นกฎแห่งกรรมดวงใจเวลาไม่มีร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทน ก็จะไปไล่ร่างกายของสัตว์ที่เราฆ่านั่นแหละเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่ากงกรรมกงเกวียนทำอันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นฆ่าปูฆ่าปลาก็ต้องกลับไปเกิดเป็นปูเป็นปลาให้เขาฆ่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็จะไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาฆ่าฆ่าสัตว์ชนิดใดตายไปก็จะต้องไปเป็นสัตว์ชนิดนั้น นี่คือกฎแห่งกรรมกฎที่กํากับความเป็นไปของจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราจิตใจกับดวงวิญญาณนี้เป็นอันเดียวกันเราเพียงแต่เปลี่ยนชื่อตามสถานภาพเหมือนกับสุภาพสตรีเวลาที่ไม่ได้แต่งงานก็เรียกว่านางสาวพอแต่งงานก็เปลี่ยนเป็นนาง แต่ก็เป็นคนเดียวกันเป็นสุภาพสตรีคนเดียวกันแต่สถานาภาพเปลี่ยนไปแล้วเพราะเป็นภรรยาเป็นแม่ต่อไปตามลําดับก็เลยไม่เรียกว่าเป็นนางสาวเรียกว่าเป็นนางแทนเถอฉันใดเวลาที่มีร่างกายนี้เราก็เรียกจิตใจว่าจิตใจดวงจิตดวงใจพอเวลาร่างกายตายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปเวลาจิตใจไม่มีร่างกายเรียกว่าดวงวิญญาณพอจิตใจไปทำบาปด้วยความหลงก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะไปเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นลิงเป็นนกเป็นปูเป็นปลาอะไรต่างๆเหล่านี้ตามบาปที่ได้กระทำไว้ถ้าได้ฆ่าปูฆ่าปลาก็ได้ไป ได้ร่างกายของปูของปลาไปนี่คือเรื่องของผลของบาปที่ทากันไว้ถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากถึงแม้ว่าไม่ไม่ทำบาปก็อยู่ได้แต่ไม่พอสามารถทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยไม่ทำบาปก็อยู่ได้ แตไม่รวยอยากจะรวยก็เลยต้องทําบาปด้วยวิธีต่างๆช่อโกงก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีเมื่อทําบาปด้วยความโลภเวลาไม่มีร่างกายดวงวิญญาณ น, นั้นก็จะเป็นเรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณของเปรตนี้เป็นอย่างไรก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่เหตุการณ์ที่สร้างความหิวโหยให้กับจิตใจตลอดเวลา เวลาที่จิตใจไม่มีร่างกายนี้เป็นเหมือนเวลาที่จิตใจนอนหลับนะเวลาจิตใจนอนหลับนี้จิตใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราวแล้วก็จิตใจก็อยู่กับเหตุการณ์ที่บุญหรือบาปได้สร้างไว้ให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจเป็นเหตุการณ์เหมือนความจริงเลยคือความฝันต่างๆนะความฝันที่เวลาที่เราฝันกันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันกันเราคิดว่า เป็นเหตุการณ์จริงๆเหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นตเลยเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ในเหตุการณ์ที่ดีเราก็เรียกว่าสวรรค์อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็เรียกว่าอบายเช่นถ้าอยู่กับเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีแต่ความหิวโหวยอดอยากขาดแคลนหา ก, กินเท่าไหร่ก็หาไม่ได้มากต้องคอยหิวโหวยอยู่ตลอดเวลา อันนันนะ้คือลักษณะของดวงวิญญาณที่ทําบาปด้วยความโลภที่เราเรียกว่าเปรตถ้าเราทําบาปด้วยความกลัวเราทําบาปเพราะเรากลัวสัตว์ชนิดนั้นสัตว์ชนิดนี้ก ล, กลัวมดกลัวยุงกลัวแมลงอะไรต่างๆเราเจอมันเราก็ฆ่ามันกําจัดมันมันก็จะทําให้จิตใจของเราเวลา ไม่มีร่างกายก็จะอยู่กับความกลัวต่างๆเหล่านี้จะไปเจอสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ที่หวาดกลัวอยู่ทําให้มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเนี่เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะมีแต่ความอาฆาตพยาบาทฝังอยู่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจมีแต่เรื่องของการร่างแค้นการฆ่าฟันกัน อยู่เหมือนกับอยู่ในภาวะของสงครามต่อสู้กันฆ่ากันกันด้วยความอาฆาตพยาบาทอันนี้ดวงวิญญาณนี้เราก็เรียกว่านรกนะนี่แหละคือเรื่องของจิตใจเวลาทําบาปจะได้รับผลสี่ชนิดเพราะการทําบาปนี้มีเหตุที่ต่างกันไปสี่เหตุด้วยกันทําบาปด้วยความหลงทําบาปด้วยความโลภ ทำบาปด้วยความกลัวทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือความกโกรธนี่เองก็จะพาให้จิตใจนี้ลงต่ำทำให้จิตใจนี้มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขแต่ผลของบาปที่ทำนี้หลังจากที่ได้ลงไปใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดได้พอหมดแล้วมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้ว ก, ก็กลับมาทำอย่างที่เคยทำเป็นส่วนใหญ่มีนิสัยทำบาปก็มักจะทำบาปต่อไปแต่ถ้าได้มาเกิดในครอบครัวที่ไม่ทำบาปแล้วก็มีคนคอยห้ามคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการทำบาปมาไม่ทำบาปก็ได้เช่นถ้าเรามาเกิดในครอบครัวของชาวพุทธ ที่เชื่อบุญเชื่อบาปเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของพระพระให้ถือศีลห้าก็ถือศีลกันพระให้ละเว้นอบายามุกก็ละเว้นกันถึงแม้ว่าจะมีนิสัยเดิมทชอบทำบาปแต่พอมาได้ฝึกนิสัยใหม่ต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้เลอันนี้ก็มีทางเปลี่ยนได้ พอขึ้นมาจากอบายแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วอาจจะเปลี่ยนทิศทางแทนที่จะกลับไปอบายต่อถ้าไปเจอครอบครัวที่ดีก็ครอบครัวก็อาจจะหล่อล้อมจิตใจให้ไปในทางที่ดีได้ก็อาจจะเปลี่ยนจากการทำบาปมาทาบุญพอมาทำบุญแล้วบุญจะมีมากกว่าบาปขึ้นไปเรื่อยๆบุญก็คือความสุขใจนี่เอง ความสุขใจก็จะมีมากขึ้นบาปที่ไม่ได้ทําความทุกข์ใจก็จะไม่มีหรือมีน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปเวลาตายไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะพาให้จิตใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็เหมือนตอนเราก็เวลาก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับอที่แทนที่จะฝันไม่ดีเราฝันดี ฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้พบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้เรามีแต่ความสุขตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเจริญของจิตใจเนี่ยเราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญจากมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาได้ถ้าเราปฏิบัติตามพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำสองข้อใหญ่ๆคือ ให้ละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงแล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญทุกชนิดแม้ว่าบุญอะไรก็ตามผ้าป่ า, ปากระถินสังฆทานถวายโบสถ์ถวายเจดีทำบุญช่วยคนยากคนจนทำบุญช่วยสัตว์ปล่อยนอกปล่อยปลาบุญอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าบุญทั้งนั้น ทำแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจิตใจก็จ ะ, จะเจริญสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดาถ้าไม่ทำบาปทำแต่บุญโดยทําบาปน้อยกว่าทำบุญบุญนี้ทํามากกว่าบาปก็ยังเป็นเทวดาได้อยู่แล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าระดับของเทวดาก็มีอยู่อีกสองระดับที่เรียกว่าระดับของพรหม พรหมนี้ก็แบ่งเป็นสองรูปประพรมกับอรูปประพรมถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ของรูปประพรมอรูปประรมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของเทวดาก็ต้องปฏิบัติเพิ่มศีลคือจากศีลห้าก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปดต้องหยุดการหาความสุขแบบเทวดาเทวดายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ แต่ถ้าอยากจะขึ้นเหนือกว่าความสุขของเทวดาต้องหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกายแล้วก็มาหาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบก็ต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสติเจริญสติควบคุมจิตใจให้หยุดคิดให้ได้ถ้าจิตใจหยุดคิดแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆความสงบก็มีอยู่สองระดับ ระดับรูปปัจจานกับอ ร, รูปปัจจานนี่เองรูปปัจจานก็มีสี่ระดับอรูปปัจจานก็มีอีกสระดับถ้าได้รูปปัจจานก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ของรูปปฐพมถ้าได้อรูปปัจจานก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ของอรูปปฐพีนี่คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้เจริญขึ้น ด้วยการกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้เจริญบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญได้ทุกชนิดไม่ว่าจะทำกับวัดทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับคนยากจนทำกับสัตว์เดลอาฉานปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายวัวถ่ายโค นี่เรียกว่าบุญกุศลทั้งนั้นทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกุศลอันไหนมาชวนให้เดาทำก็ทำกันมีเพื่อนฝูงชวนให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ไปมีคนมาชวนให้ไปช่วยเหลือคนยากคนจนก็ไปทำบุญทุกรูปแบบแล้วแต่โอกาสมีโอกาสก็ทำไปจะทาให้จิตใจสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นพัฒนาขึ้นไป เป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกับระดับของเทวดาก็ต้องไปถือศีลแปดนพวกที่มาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวนี่พวกนี้เขาต้องการจะขึ้นจากชั้นเทวดาขึ้นไปสู่ชั้นพรหมเขาก็จะหยุดหาความสุขแบบเทวดาหยุดเที่ยวหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหยุดดูหนังฟังเพลงแล้วก็มาฝึกสติเพื่อควบคุม ความคิดให้หยุดความคิดให้ได้ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมจิตใจก็จะถูกกล่อมให้เข้าสู่ความสงบต่อไปพอจิตสงบก็จะได้ฌานขั้นต่างๆฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แล้วก็เลื่อนไปสู่ขั้นที่ห้าหกเจ็ดแปดคือขั้นอรูป อรูปอรมูปปัญาตามลําดับต่อไปอันนี้ก็คือการพัฒนาจิตใจสู่ขั้นสูงสุดในระดับโลกี้ยะคําว่าโลกียะก็คือระดับที่ยังไม่ถาวรเป็นระดับที่ยังเสื่อมลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นระดับของเทวดาระดับของพรหมหรือระดับของมนุษย์นี้ถ้า เวลาไปได้รับผลของบุญแล้วต่อไปผลของบุญก็จะหมดลงพอผลบุญหมดลงดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณก็จะเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมาสู่เป็นมนุษย์แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดในครอบครัวที่ ไม่ไม่ดีครอบครัวที่มีอาชีพทำบาปก็อาจจะถูกเขาสอนถูกบังคับให้ทำบาปตามแล้วก็อาจจะทำไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนทิศทางจากการเจริญสู่การเสื่อมลงไปนี่คือเรื่องของบุญของบาปนี้ยังอยู่ในโลกของวัตตะสงสารโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้าเราอยากที่จะขึ้นไป ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้หลังจากที่เราได้พัฒนาจิตใจขึ้นสู่ระดับชั้นพรห ม, มโลกแล้วเราต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับวิปัสสนาภาวนาหรือระดับปัญญาที่จะสามารถดึงจิตปกป้องจิตใจไม่ให้ตกลงมาสู่ที่ต่ำได้ ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่มีวันเสื่อมคือระดับของพระอริยะบุคคลถ้าเราได้สมาธิแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยะบุคคลเราก็จะต้องปฏิบัติขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญานี้เองการสอนให้จิตเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอย่างไร ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นของเรานี่คือปัญญาไม่มีใครรู้ทุกคนเวลาได้อะไรมานี่มัจกจะคิดว่าเที่ยงคิดว่าสุขคิดว่าเป็นของเราได้ร่างกายมาก็คิดว่าร่างกายนี้เที่ยงร่างกายนี้สุขร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา แต่พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ทรงค้นพบความจริงว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่สุขสุขก็ไม่สุขนานสุขชั่วคราวแต่จะต้องหมดไปจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงเช่นร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ความสุขที่เคยได้จากร่างกายก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเวลาร่างกายตายมันก็กลับคืนสู่ที่มาของมันร่างกายมาจากที่ไหนก็มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนี่เองพอร่างกายตายไปถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆธาตุทั้งสี่มันก็จะแยกทางกัน ลมก็จะออกมาไฟก็จะออกมาน้ำก็จะออกมาจากร่างกายถ้าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวร่างกายก็จะแห้งกรอบผุพังกายเป็นดินไปนี่คือความจริงที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนาดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าสภาวะธรรมทัท้งปวงนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราได้มาสัมผัสรับรู้มาครอบครองถือว่าไม่ใช่เป็นของเราทั้งนั้นถือว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเือว่าไม่เที่ยงทั้งนั้นเช่นราบยศสระเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราได้เสพกันส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่ามันสุขเราถึงไปหาเหมือนเราถึงไปหาราบยศสลรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ มาเสพกันมาเป็นสมบัติมาครอบครองเป็นของเรากันแต่พอได้เขามาอยู่ไปสักระยะหนึ่งเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปหรือเขาเริ่มเสื่อมไปหรือเขาเริ่มจากเราไปไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเขาไม่จากเราเราก็อาจจะจากเขาไปก็ได้เพราะร่างกายของคนทุกคนจะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายกันทั้งนั้น นี่คือปัญญาถ้าเราอยากจะรักษาใจที่ได้พัฒนาขึ้นมาสู่ระดับพรหมนี้ไม่ให้เสื่อมลงกลับไปเป็นเทพกลับไปเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาใจลักษ์ในสิ่งต่างๆที่จิตใจเรามาครอบครองสิ่งที่จิตใจเรามาครอบครองตอนนี้ก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรส อันนี้เราก็สละไปตั้งแต่เราอยู่ในระดับพรหมนะพวกที่แสวงหาความสงบหาสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็จะสละการหาลาบยศสารเสริญสละการหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้บวชไปนานๆานอาจจะเบื่อขึ้นมาอยากจะกลับไปหาลาบยศสารเสรินสุขก็ได้ เป็นคนที่บวชกันบวชชีบวชบวพระนี่บวนกันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอเบื่อเบื่อจากการเป็นพระเป็นชีอยากจะกลับไปเป็นคร า, าวาดก็มีก็ลาสิบขากันไปเพื่อกลับไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ก็มีถ้าจะป้องกันไม่ให้กลับก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นว่า การกลับไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้การเป็นการไปหาความทุกข์มากกว่าการเป็นหาความสุขเพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอเวลาได้ก็สุขพอเวลาไม่ได้ก็จะทุกข์เวลาได้มาแล้วเวลามันหมดก็จะทําให้ทุกข์ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ก็จะไม่กลับไปหาความสุขระดับโลกียะอีกต่อไปก็จะบรรลุขั้นที่หนึ่งได้คือขั้นพระโสดาบันได้คือสามารถละความสุขที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเกิดจะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไม่รักไม่เสียดายร่างกายไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่ไป อันนี้ก็จะสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมของพระอริยบุคคลได้คือป้องกันจิตใจไม่ให้ตกต่ำได้ไม่ให้ตกลงมาสู่การเป็นมนุษย์การเป็นเทวดาได้ถ้าเริ่มพัฒนาปัญญาไปตามขั้นขั้นแรกนี้ยังติดของการกลับมาเกิดในการมาพบอยู่ยังติดยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้อยู่ พ อ, อยังไม่ได้ตัดกามอารมณ์ให้หมดไปตัดได้บางอย่างบางส่วนแต่ไม่ได้ตัดทุกอย่างยังติดอยู่กับกามอารมณ์ยังติดอยู่กับการมีแฟนอยู่ถ้าได้พิจารณาทางร่างกายของแฟนว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็จะหายรักหายค่ายหายชอบร่างกายของแฟนก็จะไม่ไม่อยากจะมีแฟนต่อไป ถ้ารู้ว่าร่างกายของแฟนนี้เป็นเหมือนซากศพเดินได้นี้เองมีอาการสามสิบสองที่ไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะตัดการมารมได้ตัดความอยากมีแฟนได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายไปมีแฟนนั่นเอง ถ้ายังอยากมีแฟนก็ต้องมีร่างกายถึงจะไปมีแฟนได้อันนี้ก็จะทําให้ไม่กลับมาเกิดในกามาพบอีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่กับความความสุขที่เกิดจากความสงบของขั้นฌานขั้นต่างๆอยู่อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าฌานขั้นต่างๆความสงบขั้นต่างๆนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเหมือนกัน ก็ต้องปล่อยวางเหมือนกับปล่อยวางร่างกายถ้าปล่อยวางได้ก็จะไม่ติดในพรมโลกอีกต่อไปก็จะหลุดออกไปสู่พระนิพพานในที่สุดได้นี่คือการพัฒนาของจิตใจตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่เป็นความจริงร้อยเอร์เซทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดอยู่นี้ ถ้าผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้จะได้รับผลอย่างที่พูดอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่ได้ปฏิบัติตามและได้รับผลมาแล้วมายืนยันในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยคือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี้แล้วที่ท่านมายืนยันมาสั่งมาสอนเอาคําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่ได้บรรลุที่ยังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมกันเพื่อถ้าเราได้นําเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆธรรมนี้เป็นอากาลิโกนะไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดปฏิบัติในยุคใดสมัยใดสามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้อย่างแน่นอน ขอให้จเจริญเหตุให้พร้อมกันแล้วกันเหตุก็คือการปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้สามระดับคือให้ละการกระทาบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้น จิตใจก็จะบรรลุขั้นมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าและก็จะอยู่ที่พระนิพพานต่อไปคำว่าอยู่ที่นิพพานก็ไม่ใช่สถานที่อันนี้ก็เป็นสถานภาพของจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่แหละพอสิ้นกิเลสแล้วสิ้นความอยากแล้วไม่มีตัณหาความอยากห ง, งเหลืออยู่ในใจแล้ว ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ในใจแล้วจิตใจดวงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิพพานไปเท่านั้นเองถ้ายังเป็นโสดาบันเราก็จะเรียกจิตใจดวงนี้ว่าโสดาบันพอได้เป็นสกกิราคามีก็เปลี่ยนชื่อเป็นสกกิราคามีพอได้เป็น เ, เป็นอนาคามีก็เปลี่ยนชื่อเป็นอนาคามีพอได้ ขา้น阿拉หันก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาลาหันพอได้เป็นอารหันก็จะได้นิพพานเป็นเป็นเป็นผลตอบแทนเป็นรางวัลก็คือได้นิพพานได้จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะเรียกว่านิพพานกับพระอาหาหันนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้พอเป็นพระอาลหาันอารหาหันก็คือได้กาจัดความอยากทั้งหลายให้หมดสิ้นไป พอหมดสิ้นไปจิตใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาทันทีนิพพานก็คือจิตใจที่ไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะไม่เกิดไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปเกิดเป็นพรหมอย่าว่าแต่การไปเกิดเป็นจัตเดยระฉานหรือเป็นเ ป, นเปรตหรือไปตกนรกเลยอันนี้ปิดได้ตั้งแต่เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วจิตใจนี้จะไม่ตกลงไปสูวอาบายต่อไปถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะเวียนว่ายในภพของมนุษย์ของเทวดาและภพของพรหมไปจนกว่าจะสามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดได้พอถึงขั้นสูงสุดคือพันธนิพนธ์แล้วก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า ตวขาโตภะวะตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอาการลิโกเป็นธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยเป็นเป็นธรรมที่สดสดร้อนร้อนเสมอสดสดร้อนร้อนเหมือนในสมัยพระพุทธการสดสดร้อนๆ ในปัจจุบันนี้ก็สดสดร้อนๆเหมือนในสมัยพุทธกาลสดสดร้อนๆอนเหมือนในอนาคตเพราะธรรมนี้ไม่เสื่อมเหมือนอาหารอาหารนี่พอออกมาจากเตาใหม่ๆก็สดสดร้อนๆอนพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เย็นขึ้นอืดขึ้นมาอันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนอาหารไมไ่เป็นเหมือนสินค้าต่างๆที่จะต้องเสื่อมที่จะต้องเก่า แต่ธรรมของพระเจ้านี้ไม่เสื่อมไม่เก่าสดสดร้อนๆตลอดเวลาเราจึงเรียกว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนีง้ขอให้ท่านจงน้อมเอาธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติเถิดเรียกว่าโอปนญิโกแล้วผลต่างๆที่จะพึงได้ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิท an ีิตังปฏที um ่ตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวาโสยะถามณีโชติ พระโสยะาสัพิต so ิโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนศีริษะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโหธรรมวะทานเต อายุวันโอสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามมีปัญหาอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามา แล้วจะมีผู้อ่าจคำถามให้วันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ c e b o o สามร้อยสามสิบห้าคนครับยู u t u ร้อยเก้าสิบคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่คนผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสามคนครับพระจาเย์องแต่เจ็ดร้อยอยู่นะเฉียดเฉียดคำถามถ้ามีก็ถามได้เลย คำถามจากทาง youtube นะคะจากคุณบุญเสริมขออนุญาตถามครับชีวิตนัก บ, บวชกับวิถีชีวิตปุถุชนต่างกันมากไหมครับคือคําว่านักบวชกับปุถุชนนี่มันมันเป็นคําที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าปุถุชนนี่ต้องเปรียบกับพระอริยาบุคคลถึงจะมีความแตกต่างกันเพราะนักบวชนี่ ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เป็นส่วนใหญ่ออการถามต้องถามว่านักบวชกับผู้คลองเรือนออนักบวชกับผู้ครองเรือนก็คือผู้ที่ไม่ได้บวชนี้เราเรียกว่าผู้ครองเรือนผู้ที่มีครอบครัวออมีสามีมีภรรยามีลูกก็จะมีภาระพลุงพลังมีความทุกข์มากมายกายกองกับพวกที่เป็นนักบวชนักบวชไม่มีครอบครัวก็ไม่ต้องทุกข์กับครอบครัว ไม่มีลูกก็ไม่ต้องคุกับลูกไม่มีสมบัติก็ไม่ต้องทุกข์กับสมบัติแต่ผู้กองเรือนนี้จะมีอะไรมากมายที่จะทำให้ทุกข์มากกว่าผู้ที่เป็นนักบวชคําถามต่อไปค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับตอนที่สวดมนต์แล้วจิตชอบเผลอไปคิดเรื่องอื่นๆจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้สติ ต้องพยายามดึงจิตกลับมาให้อยู่ที่บทสวดมนต์อย่าไปสวดแล้วก็คิดไปถ้าคิดก็อย่าไปสนใจกับความคิดให้สนใจกับการสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปใหม่ๆความคิดมันแรงมันก็ยังแทรกเข้ามาได้อยู่<ๆ>เรื่อยๆเราก็ต้องพยายามเกาะติดอยู่กับบทสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะถอยห่างออกไปแล้วเดี๋ยวก็จะไม่เข้ามา คำถามจากคุณกำพลเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราทำบุญช่วยเหลือเด็กทุกเดือนโดยที่ให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชีทุกเดือนแบบนี้จะได้บุญไหมครับได้ทุกครั้งที่เราเสียสละเงินทองไม่ว่าจะให้กับใครก็เป็นบุญทั้งนั้นให้กับเด็กให้กับคนแก่ให้กับคนไข้ไม่สบายให้กับนกกับแมวกับสุนัข ให้กับพระให้กับวดัดให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลนี้เป็นบุญดังนั้น <c oughs> คำถามต่อไปค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพเรียนขอคำแนะนำค่ะดิฉันมีหนี้สินเยอะรายได้ไม่พอจ่ายหนี้สินดิฉันเพียรสะสมมานานมากอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าเราจะปรับความคิดอย่างไรให้จิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่าน และความเครียดลดลงเจ้าค่ะก <c oughs> <c oughs> ็นิสิตก็อยู่ส่วนนิสิตเราก็อยู่ส่วนของเราเราอย่าเอาไปมาแบกมันเพียงแต่เรารับรู้รับผิดชอบว่ามีนิสินเราก็ต้องคืนเข้าไปจ่ายเข้าไปเราได้มาเราก็ควรไปจ่ายนิสินไปตามกำลังของเราจนกว่ามันจะหมดถ้าอยากให้มันหมดเร็วๆก็ขายสมบัติที่เราขายได้ไป อย่าไปหวงสมบัติเก้าของเงินทองต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นของเราเราไปยืมเงินไปกู้เงินก็มาซื้อเมื่อเราไม่มเีเราต้องการที่จะลดหนี้สินเราก็เอาทรัพย์สินที่เรา ม, มีอยู่นี้ไปขายอยู่แบบพระดูอยู่แบบนักบวช ด, ดูอยู่เอาแค่ปัจจัยสี่ก็พอให้มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มทีู่่อาศัยเช่าเขาก็ได้ บ้านเอเราผ่อนอยู่ก็เอาไปขายคืนเข้าไปาแล้วมาผ่อนแล้ว ม, มาเสียค่าเช่าแทนเออหรือคิดว่าการผ่อนบ้านเป็นการจ่ายค่าเช่าก็แล้วไปเอคิดว่ามันถูกมีอะไรมีหนี้สินก็ต้องจ่ายแต่จ่ายไปตามกําลังของเราถ้าจ่ายไม่ได้เขาจะมายึดก็ให้เขายึดไปเขาจะให้เราล้มละลายก็ล้มละลายไปเออ เขาจะให้ติดคุกก็ติดคุกไปยอมทุกอย่างถ้ายอมทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมจ่ายเขามายึดก็ไม่ยอมให้เขายึดเขาจะจับไปติดคุกก็ไม่ยอมติดมันก็เลยทุกข์แล้วถ้าไม่อยากทุกข์ต้องยอมแถวพูดเหล่านี้เขาสอนให้ใช้สูตรสามยอมยอมหยุดแล้วก็เย็น ยอมทุกอย่างเขาจะเอาอะไรให้เขาหมดเขาจะยึดทรัพย์ก็ให้เขายึดทรัพย์เขาจะมาถวงนี่ก็ให้เขาทวงไปเขาจะฟ้องล้มละลายก็ให้เขาฟ้องไปเขาจะจับเราติดคุกก็ให้เขาจับไปยอมไม่ต่อสู้หยุดหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านยอมหยุดแล้วก็จะเย็นใจก็จะเย็นสบายอยู่ในคุกก็อยอยู่อย่างเย็นสบายมีความสุขยิ่งกว่าอยู่นอกคุก เพราะมีคนคอยเลี้ยงดูทุกอย่างมีอาหารฟรีมีที่อยู่ฟรีน้ำไฟก็ไม่ต้องจ่ายมีรอปรพอคอยคุ้มครองรักษา24ชั่วโมงที่ไหนจะดีกว่าคุกวะคำถามต่อไปค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิช่วงเกิดสภาวะนิ่ง บางทีพุโทโธจะหายใจบางครั้งจะกลับมาพุโทโธบางครั้งใจก็ไม่รู้สึกอยากบริกรรมหนูจะปล่อยให้ใจนิ่งๆไปแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะถ้ามันนิ่งแล้วไม่คิดอะไรก็ถูกแต่มันจะไม่ลงลึกไปกว่านั้นถ้าอยากให้มันลุกลงลึกไปกว่านั้นก็ถ้าไม่อยากบริกรรมก็ดูลมไปดูลมเข้าลมออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ลงลึกกว่าเดิม อีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะในเวลาช่วงที่สงบนั้นบางครั้งเวลาเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาจะเกิดความคิดซ้อนมาว่าเห็นไหมความคิดนี้เกิดได้เองไม่ได้ตั้งใจคิดก็คิดขึ้นมาเองจนบางครั้งความสงบนิ่งก็หายไปถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะกลับมาดูลมต่อหรือกลับมาพุโทโธต่ออย่าไปสนใจกับความคิด ถ้าไปสนใจเดี๋ยวมันก็คิดต่ อ, อยาวไปคิดกันไปสองฝ่ายฝ่ายนี้คิดฝ่ายนั้นตอบคิดไปคิดมาคุยกันไปคุยกันมาอย่าคิดเลยรีบกลับมาที่ลมรีบกลับมาที่พุทโธอย่างเดียวคำถามต่อไปเจ้าคะ่ะเราไม่มีเงินทองแต่เราอยากทำบุญด้วยการช่วยเหลือปัดกวาดลานวัดได้ไหมครับผลบุญต่างกันมากหรือไม่ครับ ระหว่างทำบุญด้วยเงินและช่วยเหลือกิจการวัดกับปัดกวาดลานวัดครับความสุขใจก็เหมือนกันทำบุญด้วยเงินก็สุขใจทำบุญด้วยร่างกายก็สุขใจแต่ผลตอบแทนในภพหน้าชาติหน้าไม่เหมือนกันทำเงินก็จะได้เงินกลับมาทำแรงงานก็จะมีคนมาทำงานให้เรากลับมาเัางนั้นผลตอบแทนในภพหน้าไม่เหมือนกัน แต่ผลที่ได้ในขณะที่ทำนี่เหมือนกันคือความสุขใจคำถามจากคุณพัชชาคะ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ขณะที่เรานอนหลับถ้าเราไม่ได้ฝันว่าเราไปไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนไปในสถานที่ใดเลยขอเรียนถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ดวงจิตเราขณะที่นอนหลับจะอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ เพราะขณะที่หลับก็เหมือนกับเราตายชั่วขณะใช่ไหมค ะ, ะจิตอยู่อีกรอกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายจิตมาส่งวิญญาณมาเกาะส่งสัญญาณมาเกาะติดกับร่างกายพอเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนก็เหมือนปิดสัญญาณรับเชื่อมต่อกันจิตก็อยู่ในโลกทิพย์ฝันก็ฝันในโลกทิพย์เนี่ย เวลาฝันไม่ฝันก็บางทีจิตเหนื่อยจิตก็ไม่ฝันก็ได้บางบางทีเวลาตื่นนี่ใช้ความคิดมากบางทีเหนื่อยมากก็เวลานอนหลับก็ไม่ฝันเลยก็มีคาว่าไม่ฝันไม่ได้หมายความว่าไม่มีบุญหรือไม่มีบาปมันไม่แน่บางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายบางทีก็ไม่ฝันคําถามจากทาง y o u ูทูบค่ะกราบพระอาจารย์ พิจรารณาขยายความคำว่าบวชใจด้วยค่ะบวชใจก็คือนี่แหละควบคุมใจเนี่ยให้ใจไม่ทำบาปเพราะการจะทาบาปก็เกิดจากความคิดก่อนใจต้องคิดทำบาปก่อนคิดจะไปดื่มเหล้าก่อนถึงจะไปบวชใจก็หยุดความคิดนั้นเสียพอคิดจะไปกินเหล้าก็ไม่กินเพอคิดจะไปทําบาปก็ไม่ทานี่เรียกว่าบวชใจ คำถามจากคุณนันทพัฒนค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะเราจะชนะกิเลสในชีวิตประจําวันได้อย่างไรคะเช่นอยากทานอาหารรสจัดกาแฟขนมของหวานอารมณ์พอใจไม่พอใจต่างๆขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ฝืนมันได้อย่าไปทําตามมันนั่นเองมันอยากจะกินของรสจัดแล้ก็กินจืดๆมันเอ อย่าไปใส่เครื่องปรุงใส่แล้วก็ลองถามดอว่าใครเป็นคนกินวะร่างกายหรือใจร่างกายกินร่างกายมันรู้หรือเปล่าว่ามันกินอะไรมันไม่รู้หรอกร่างกายมันก็เหมือนรถยนต์รถยนต์มันรู้เปล่าว่ามันใส่น้ำมันของยี่ห้อไหนเติมน้ำมันยี่ห้อไหนเวลาไปเติมน้ำมันยี่ห้อกาดาวกาอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นน้ามันเหมือนกัน รถมันไม่มันไม่ันไม่ยินดีร้ายกับน้ํามันยี่ห้อไหนหรอกขอให้เป็นน้ํามันให้มันวิ่งได้มันก็มันก็เอาะแต่คนขับนี่บางทีจู้จี้ต้องเลือกปั๊มปั๊มนี้บริการดีเอปั๊มนี้มีของแถมอปั๊มนี้เขาโฆษณาว่าน้ํามันเขาสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของคนขับแต่รถมันก็ มันไม่เลือกหรอกมันนับได้ทั้งนั้นเน่ยร่างกายก็เป็นเหมือนรถใจก็เป็นเหมือนคนขับแล้วใครเป็นคนกินอาหารคนขับกินเือใจกินแล้วว่าร่างกายกินใจนี่เลือกอาหารให้ร่างกายแต่ใจไม่ได้กินเลยเพียงแต่รับรู้ความรู้สึกของรสชาติเท่านั้นเองเพราะอาหารมาถูกแตะที่ลิ้นใจก็รับรู้ว่าโอ้ยเผ็ดหวานเปรี้ยวมันอะไรอย่างนั้นไป แต่ใจไม่ได้กินแม้แต่หยดเดียวอาหารต่าง ๆ, ๆที่เข้ามาทางร่างกายเพียงแต่รับรู้เหมือนกับต่อไปโลกข้างหน้าจะมีะมีภาพยนตร์แบบห้ามิติดูไปก็สามารถสัมผัสกับดาราเขากำลังกินอะไรก็กินไ่กับลาดาราบนในจอได้เขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สัมผัสรดก๋วยเตี๋ยวได้ก็เท่านั้นเองใจเป็นคนดูเฉยๆไม่ได้กินเลยร่างกายเป็นคนกิน เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้บอกว่าร่างกายมันเป็นคนใช้เราเราไปเลี้ยงมันดีทาไมมันเป็นคนรับใช้เราให้มันกินแบบคนรับใช้สิให้มันอย่าไปพิถีพิถันคนพิถีพิถันไม่ได้กินคนที่กินมันไม่ได้พิถีพิถันเลยให้มันกินอะไรก็กินได้ให้มันคุกข้าวแบบหมามันก็กินได้วิธีจะแก้พระพุทธเจ้าสอนพระถ้าโยมยาเอาไปทาตามก็ได้ ถ้าชอบกินเลือกกินอย่างนี้ก็บอกว่าเอาอาหารทุกอย่างใส่ไปในบาทแล้วคุกมันเหมือนข้าวหมาเลยแล้วค่อยกินเอาทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องเนี่ยเอาไปใส่ในบาทรวมกันแล้วก็คนมันคุกมันเหมือนกับข้าวหมาของข่าวของหวานผลไม้แกงจืดแกงเขียวหวานบวชชงบวชชีกล้วยบวชอะไรต่างๆใส่มันขนมเคก้กปลท่องโกอะไร ที่จะกินที่มันจะรวมไปในท้องนะฮะให้มันรวมไปในบาดก่อนแล้วก็ตักคุกันมันเสร็จแล้วก็ตักกินเข้าไปเออจะได้ดัดสันดาลไอ้ตัวที่ไม่ได้กินที่ชอบไปยุ่งไอ้ร่างกายมันไม่มันไม่เสียใจหรอกมันยินดีมันกินได้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้อาหารมันไม่ไม่เน่าไม่บูดไม่เสียเท่านั้นเองมันก็ไม่ท้องเสียคําถามจาก f เฟซบุ๊กครับ กรับมามาสจักรพระอาจารย์อยากถามพระอาจารย์ว่าการทําบุญตักบาทอาหารจํานวนด้วยด้วยจํานวนเงินแค่หนึ่งร้อยบาทหรือว่าห้าสิบาทก็ตามเรากวดน้ําให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายหรือผู้ล่วงลบไปแล้วจํานวนเงินแค่หนึ่งร้อยบาทจะได้รับทุกท่านหรือเปล่าคะแล้วเราควรจะทํายังไงให้ถูกวิธีกรุณา อาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะคก็แบ่งต้องแบ่งกันไงถ้ามีเงินห้าสิบาทแจกห้าสิบคนก็ได้คนละบาทถ้าแจกคนเดียวก็ได้ห้าสิบเนี่แล้วแต่เราจะไปแจกเราต้องการแจกแบบไหนต้องการปริมาณมันก็ไม่ได้คุณภาพนะถ้าต้องการแจกให้คนเยอะๆของมันก็น้อยของมันก็ไม่มากถ้าอยากให้แจกคนรับได้ของมากๆคนรับก็ต้องน้อยมีร้อยมีห้าสิบบาทอ่า อุทิศบนให้คนเดียวเขาก็ได้ไปหมดเลยถ้าให้สาวประสาทนั้นก็โหแบ่งกันไม่รู้กี่แสนกี่ล้านตัวคำถามจากคุณชดายุค่ะกาบเรียนถามเจ้าค่ะการถวายของใช้ข้าพเจ้านาของใช้ที่ต้องใช้นำไปวางไว้ตามจุดที่ว่าต้องใช้ได้รับบุญกุศลไหมคะยกตัวอย่างการถวายไม่กวาด การถวายของใช้ที่จำเป็นใช้ในห้องน้ำเจ้าค่ะได้บุญเหมือนกันบุญอยู่ที่การเสียสละไม่ได้อยู่ที่ของใช้เราเสียสละอะไรไปเราก็จะได้บุญเสียเงินเราก็ได้บุญเสียแรงกำลังกายเราก็ได้บุญอยู่ที่การเสียสละไม่ได้อยู่ที่ของที่เราซื้อมาเขางน้นอยู่ที่ความจำเป็นของผู้รับ ควรจะศึกษาก่อนว่าผู้รับเขาขาดอะไรไม่ใช่ไปซื้อของที่เขาไม่ขาดซื้อไปแล้วเขาก็ต้อง เ, อเก็บไว้หรือว่าต้องเอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นเพราะว่าเขาก็มีมากเกินไปอย่างนี้ก็ต้องดูสำรวจดูก่อนเวลาจะให้ของใครให้ของที่เขาใช้ได้อย่าไปให้ของที่เขาใช้ไม่ได้แต่คนให้น่ะได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะให้ของที่เขาใช้ได้หรือไม่ได้ แต่คนรับจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรคำถามต่อไปค่ะกราบนมัส ก, การเมื่อก่อนทุกเหมือนแดนประหารจู่ๆก็พลิกกลับกลายเป็นเย็นจนใจจนแปลกใจเลยตามดูตลอดสิบปีกว่าทรงเห็นตลอดคำถามคือเมื่อกำหนดทำไมเหมือนกับไม่มีสมาธิครับผม เมื่ออะไรนะเมื่อกำหนดเจ้าค่ะอะนั่นทำไมอ่าเมื่อกำหนดทำไมเหมือนกับไม่มีสมาธิค่ะกำหนดอะไรนะอ่าคำถามก็คือเมื่อเมื่อก่อนทุกค่ะพระอาจารย์จู่ๆก็เลยกลับกายเป็นเย็นจนแปลกใจก็เลยตามดูตลอดสิบปีกว่าอมันไม่เที่ยงเลยมันก็พลิกไปพลิกมาได้ ก็คำถามเขาก็คืออย่างที่เปลี่ยนพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าทําไมเมื่อกําหนดแล้วเหมือนกับเขาไม่มีสมาธิเจ้าค่ะกําหนดอะไรเลยมีข้อความประมาณนี้เจ้าค่ะไม่มีเพิ่ม อ, อาาก็ไม่เข้าใจคําถามเลยไม่รู้จะตอบยังไงเมื่อไม่กําหนดเหมือนก็ไม่มีสมาธิไม่รู้แปลว่า ย, ยังไงกําหนดอะไรคําถามต่อไปจากคุณชรินทิพย์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ การครบเพื่อนถ้าเขาเป็นคนชอบโวยวายพูดจะไม่เพราะผิดศีลเราเลือกที่จะห่างออกมาเลิกคบแต่มีคนเตือนว่าเราควรให้อภัยอย่าไปถือสาอันนี้เราควรครบต่อหรือเจ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยเจ้าอาการไม่คบนี่ก็ให้อภัยได้เราก็ไม่ถือสาไม่ถือโทษกดเกองเขาเพียงแต่ว่าใกล้เขาแล้วมันลำคาญมันไม่ เป็นมงคลก็อย่าไปอยู่ใกล้ดีกว่าอยู่คนที่เขาสงบดีกว่าออการครบคนนี้เลือกคบได้ไม่ถือว่าบาปไม่ได้ถือว่าไม่ได้ให้อภัยการที่เรารู้ว่าคนนี้นิสัยไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ให้อภัยเขาเราไม่คบเขาเขาเพราะว่าเราครบเขาแล้วเรารู้สึกว่าขาดทุนนี้ก็อย่าไปคบดีกว่าและเราก็ไม่ไปถือโทษกดเครื่องในความชั่วของเขาความไม่ดีของเขา ก็เป็นเรื่องของเขาไปเท่านั้นเองคำถามจากทาง y u ูทูบค่ะการถวายข้าวสารโดยตรงไปที่โรงครัววัดกับนําไปถวายพระให้ทราบก่อนได้อานิสงส์เหมือนกันไหมเจ้าคะได้เหมือนกันเนี่ยเออเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระกับปิดทองหน้าพระเนี่ยแต่ปิดทองหน้าพระก็ต้องไปบอกพระก่อนว่าเอาข้าวมาให้ ถ้าปิดทองหลังพระก็ไปให้ที่โรงครัวเลยถ้ามันที่ไปที่เดียวกันนะเอแต่ถ้าไปที่โรงครัวมันไม่กลับมาหาพระมันไม่อันนี้ก็แต่ถ้าไปให้พระก่อนแล้วพระเอาไปสั่งให้ลูกศิษย์เขาทามากลับมาอย่างนี้ก็พระก็จะได้รับนนไม่มีอะไรนะอไม่มีก็ลองพักกินน้ําสักนาทีหนึ่ง ถ้าภายในหนึ่งนาทีไม่มีก็จะได้เตรียมตัวกลับบ้านกันถ้ามีก็ถามได้ต่อคําถามจากทาง youtube ค่ะการรักษาศีลเพียงข้อเดียวคือรักษาใจต่างกันอย่างไรกับการรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเจ้าคะถ้ารักษาใจได้ก็รักษาได้ทุกข้อไงถ้าใจนิ่งสงบเอ เป็นฌานเป็นอุเบกขานี่ก็จะไม่ไปคิดทำบาปทำกรรมกับใครก็จะรักษาได้ทุกข้อแต่ถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบนี้ไม่แน่เดี๋ยวเห็นอะไรโลกขึ้นมาถ้าขอไม่ได้ก็อาจจะขโมยอันนี้พอนี่แสดงว่าไม่รักษาใจละถ้ารักษาใจพอจะคิดจะขโมยก็ต้องหยุดทำใจให้สงบหยุดคิดเรื่องขโมยก็เรียกว่ารักษาใจเพราะใจเป็นผู้กระทำ คิดสนต่างๆนี้เถ้าใจสงบใจเป็นปกติใจก็จะไม่ไปคิดทําอะไรเสียหายหแก่ผู้อื่นเยนต้องรักษาใจให้สงบให้เป็นปกติแล้วใจก็จะไม่ไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นยังไม่มาใช่ไหมไ ม, ไม่มาก็เอาละนะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ